วันนี้หอไตรรู้สึกแปลกตาไปนะเพราะว่ามันโล่งขยายพื้นที่ไปอีกนะเกือบเท่าตัวนั้นเท่าที่จำได้นี่ก็เป็นการขยายเป็นครั้งที่สามแล้วหอไตแต่เดิมนี่ไม่ได้เท่านี้นะอาจจะเล็กกว่านี้แค่หนึ่งในสามเท่านั้นละ สมัยก่อนอยู่โน่นอยู่ข้างบนเขาแล้วก็ย้ายมาเมาื่อสักหกเจ็ดปีก่อนมาทําหน้าที่แทนสาระไก่สาระไก่นี่แต่ก่อนเราทําวัดกันที่นั่นแต่ก่อนสาระไก่ก็ไม่ได้ใหญ่เท่านั้นนะเล็กกว่า น, นี้นะขายายแล้วก็ยังไม่สามารถจะรองรับคนได้ทําวัดที่ไรก็แน่นก็เลยมา เอาหอตไตรย้ายลงมาจากบนเขาตอนที่ธรรมาบวชปรญญาแรกก็อยู่ที่นั่นน่ไม่มีไม่มีกุติก็ไปนอนหอตไตรไปนอนกับโยมคนหนึ่งตอนหลังก็ไม่่อยได้ใช้ใชก็ย้ายมาเป็นที่ทำทำวัดหลวงพ่อท่านก็ ตอนที่ลงมาที่แท่งก็ขยายมาทีแล้วนะก็ไม่พอขยายอีกรอบหนึ่งก็ยังไม่พออีกนะนี่ขยายเป็นครั้งที่สามแล้วก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าแต่คงจะขยายไม่ ไ, มได้แล้วหัวใจนี่ก็เป็นเป็นสิ่งปลูกสร้างที่เก่าแก่ที่สุดในวัด น, นะ 30ปีพอดีนะสร้างปีสองสามนี่ก็ครบ30ปีก็มีความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมนะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่นะขยับขยายประโยชน์ให้มากขึ้นออต่มจะมีประโยชน์ได้ก็เพราะมันว่างนะ ถ้าหอไต้นี่เต็มแน่นเมื่อไหร่ก็ประโยชน์น้อยก็ต้องขยายพื้นที่เพื่อให้ว่างมากขึ้นเพื่อที่จะได้รองรับผู้คนแล้วก็ใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นอาคารที่มันจะมีประโยชน์ก็เพราะมันว่างนะถ้ามันเต็มเมื่อไหร่ก็ไม่มีประโยชน์หรือมีประโยชน์น้อย มันก็ือเก้าอี้นะเก้าอี้เนี่ยจะมีประโยชน์ก็เพราะมันว่างถ้ามันไม่ว่างเมื่อไหร่ก็ไม่มีประโยชน์เช่นมีคนนั่งหรือเอาของมาวางประโยชน์ของความว่างนี่สาคัญมากนะเรามักจะมองข้ามประโยชน์ของความว่างแต่ว่า ถ้าไม่มีความว่างสักอย่างหนึ่งแม้แต่ชีวิตเราก็คงจะอยู่ไม่ได้นะปอดนี่มันต้องว่างนะถ้ามันไม่ว่างเช่นมีน้ํามีของเหลว อ, อยู่ข้างในก็ตายเท่านั้นเองน้ําท่วมปอดของเหลวท่วมปอดมันต้องว่างในสมัยนี้เราไม่ค่อยเห็นประโยชน์ความว่างเท่าไหร่เราอยากจะมีอะไรให้มันเต็มเต็ม มีบ้านก็หาของมาใส่ให้มันเต็มนะถ้าว่างเมื่อไหร่ก็รู้สึกว่ามันหลงเหล่งไปทั้งๆที่ทความว่างนี่สำคัญมากอลอรถนี่มันก็ต้องว่างนะถ้ามันไม่ว่างนี่มันแน่นเป็นหมดถ้าอลอรถนี่แน่นเป็นหมดนี่ก็ มันก็กระเทือนสมัยก่อนลอ้อสมัยก่อนนี่ลอ้อรถล้ลอเกวียนนี่มันแน่ น, เ, นเป็นไม้ตันเวลาขี่เกวียนเวลาขับรถมันก็กระเทือนแต่พอทำให้ล้อนิ่วว่างแล้วเนี่ยการสัญจรก็สะดวกขึ้นมันไม่กระแทกกระเทือนเท่าไหร่ ความว่างก็คือความไม่มีไอ้ไม่มีนี่ก็มีประโยชน์เหมือนกันสมัยนี้เราเป็นในเรื่องการมีนะแล้วก็มีเยอะๆนะถ้ามีน้อยๆหรือไม่มีเลยนี่ก็กลายเป็นทุกข์ไปพอเรามีเยอะๆ เ, เข้าแล้ว เ, เป็นยังไงชีวิตมันก็เดี๋ยวนี้ก็วุ่นวาย ลองมาสัมผัสมาเห็นคุณค่าของความว่างบ้างที่จริงความว่างนี่มันเป็นพื้นฐานของของธรรมชาติเลยนะความว่างนี่มันมันมันกินเนื้อที่มากกว่าไอ้ความไม่ว่างอันที่พูดนี่ไม่ได้หมายถึงโลกที่เราเห็นด้วยตานะที่มันว่าง หรือท้องฟ้าที่มันว่างเวิงจักรวาลที่มันว่างแม้แต่ในอะตอมมันก็ว่างเป็นส่วนใหญ่มันว่างเวิงมากเลยนักวิยาศาสตร์ที่เขาเขาออกกล้องนะกล้องส่องลงไป เขาก็คำนวณดูล้วนี่ความว่างนี่มันมีมากกว่าตัวสาสารหรือตัวที่เป็นมวลซะอีกจักรวาลนี้ว่างยังไงในอะตอมนี่มันก็ว่างอย่างนั้นแหละมีนิวเคลียสตรงกลางแล้วก็มีอิเล็กตรอนวิ่งอยู่รอบนิวเคลียสนี่เล็กนิดเดียวอิเล็กตรอนนี่ก็เขาเปลี่ยนมันก็ว่าถ้านิวเคลียสนี่เปลียนเหมือนกับก้อนหินหรือลูกหินในสนามฟุตบอล ส่วนนิวตรอนนี่ก็วิ่งรอบ อ, อิเล็กตรอนนี่ก็วิ่งรอบขอบสนามฟุตบอล น, นั่นแหละคืออะตอมคือมันมีความว่างมากกว่าตัวเนื้อสารหรือตัวมวลยิ่งถ้าศึกษาไปในศึกษาพุทธศาสนาไปก็จะพบว่ามันไม่ใช่แค่ว่างด้วยสายตาที่มองเห็นเท่านั้นนะแต่ว่าสาระหรือว่าแก่นสารมันก็ว่างด้วย คือมันว่างว่างเปล่าจากตัวตนที่เราศูญโยเนี่ยสูญโยหรือว่าสูญญตาเนี่ยก็แปลว่าว่างว่างเปล่าคือว่างเปล่าจากตัวตนรูปลักษ์มันอาจจะดูเหมือนมีมีมีอะไรที่จับต้องได้แต่ว่าแกัญชาเนี่มันว่างว่างเปล่าจากแกัญชา โบราณท่านก็เลยเปรียบธรรมชาติของสิ่งต่างๆเหมือนกับลำไม้ไผ่มองด้วยตาหรือว่าสัมผัสจากภายนอกมันก็มีลำไม้ไผ่ให้จับต้องได้แต่ตรงกลางหรือข้างในเนี่ยหาหาแก่นเนี่ยไม่ได้เลยไม่มีแก่นเลยคือมันว่างว่างในที่นี้ท่านหมายถึงว่าว่างปล่าจากตัวตน มันมีแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะจับต้องได้แต่ว่ามันไม่มีตัวไม่มีตนที่จะบอกได้ว่านี่คือตัวตนของไม้ไผ่นี่คือตัวตนของเสานี่คือตัวตนของก้อนหินมันไม่มีอันนี้ก็รวมถึงตัวเราด้วยนะไอ้สิ่งที่เราเรียกว่าตัวเรานี่มันก็เป็นแค่สิ่งสมมุติ มันปรุงแต่งขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาจากความหลงนะก็เลยคิดว่าเนี่ยไอ้ร่างกายนี้คือเราคือตัวเราแต่สิ่งที่ว่าร่างกายหรือสิ่งที่ว่าตัวเรานี่มันก็เป็นสมมุติเราลองแตะดูแต่ตรงไหนที่เป็นตัวเราบ้างนะมาแตะมาแตะตรงหัวมันก็ไม่ใช่ตัวเราแต่มันเป็นหัว นำมาแต่ตรงลำตัวนะั่นก็เรียกว่าลำตัวไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตัวเราแต่ตรงหูแต่ตรงไหล่ตรงเท้าก็ไม่ใช่ตัวแต่นั่นคือหูนั่นคือไหลนั่นคือรองเท้าหรือคือหรือเท้าแต่แต น, นี้ก็เป็นเรื่องปรัชญานะคิดเอาเองไม่ได้ต้อง ต้องต้องึ้ต้องต้องดูเอาเองต้องสัมผัสเอาเองจากการปฏิบัติการปฏิบัตินถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็เพื่อให้เราได้เห็นความจริงตรงนี้มาเป็นความจริงที่ลึกซึ้งที่สุดที่มันหลบซ่อนในส่วนลึกที่สุดของมนุษย์ก็คือความสำคัญมั่นหมายว่ามีตัวตน ตอนนี้เราก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยก็ปฏิบัติก็พยายามศึกษาหรือดูอาการที่มันแสดงออกหรือว่ามันงอกเงยมาจากไอความสําคัญบานหมายว่าตัวตนอะไรที่มันยื่นออกมาหรือมันเป็นอาการของความสําคัญบ้านหมายว่าเป็นตัวตนเราก็เรียกกิเลสนะกิเลสเนี่ย จะว่าไปมันก็คือคือสิ่งที่งอกมาจากรากนะถ้าหากว่าให้ความยึดมันสำคัญมาว่าเป็นตัวตนนี่เป็นรากเนี่ยไอ้ลำต้นที่มันงอกออกมาจากรากนั่นก็คือกิเลสพอเวลาเราพูดถึงกิเลสนี่เราก็นึกไปถึงโลกโกรดหลงนะแต่ว่ามีกิเลสอีก3ามตัวที่ เรียกชื่อต่างกันแต่ว่าฤทธเดชก็พอๆกันแต่ว่าแสดงฤทธเดชเป็นคนละแง่ตอนนั้นก็คือตันหาทิฏฐิมานะตันหาทิฏฐิมานะนี่ก็เป็นมีชื่อเรียกว่าปัปปัญจะธรรมคือตัวทำให้เนิ่นช้าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามชีวิตจะเจริญก้าวหน้า ได้ยากก็เพราะไอ้ตัวสามตัวนี่แหละหรือว่าสังคมประเทศชาติจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไม่ได้ก็เพราะสามตัวนี่เป็นเครื่องเหนียวรั้งรวมทั้งการปฏิบัติของเรานะจ ะ, จะเจริญก้าวหน้าไม่ได้ก็เพราะสามตัวนี้นะตัณหาทิฏฐิมานะหรือตัณหามานะทิฏฐนะิจะเรียกยังไงก็ได้ตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากได้อยากไ ด, อกได้อยากเอานะ มันก็คล้ายๆความโลภเป็นความอยากได้อยากได้เพื่ออะไรอยากได้เอาเข้าตัวเพื่อสนองตัวตนนะเพราะว่าตัวตนเนี่ยมันพอปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันจะมีความอยากอยากจะกวาเอาทุกอย่างมาไว้เป็นของมันเองนะอยากได้ไม่รู้จักพออันนี้เรือตันหานะอยากได้อยากเอามันก็มีตั้งแต่อย่างหยาบๆนะ อยากได้วัตถุอยากได้สิ่งของไปจนถึงอยากได้สิ่งที่เป็นนมามธรรมเช่นอยากได้ความสุขเนี่ยอยากได้นิพพานอันนี้ก็มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่รู้หรว่านิพพานเป็นยังไงต้องได้มาอย่างไงแต่ว่าอยากได้เพราะเห็นว่าดีใครๆนิยมก็อยากได้แต่ถ้าให้ทำนี่ไม่อยากทำนะ ถ้าถ้าได้ก็เอาแต่ถ้าจะทำให้ลงมือทำนี่ฉันไม่เอาตันหานี่มันไม่อยากทำนะัญหามันอยากได้ถ้าให้ทำนี่ไม่ทำเหนื่อยลาบากนะเวลาเราความขี้เกียดนี่ก็เป็นอาการของตันหาไม่อยากทำนะอยากอยากจะเอาอยากจะได้อะไรที่ทำแล้วไม่เหนื่อยอะไรที่ได้แล้วโดยไม่เหนื่อยนี่เอาทั้งนั้นแหละ ส่วนทิฏฐิก็คือความยึดติดนะยึดติดในความเชื่อความเชื่อของใครความเชื่อของกูนะมันจะมีตัวมันจะมีของกูนี่พ่วงติดมาด้วยเราคิดเรื่องอะไรถ้าเป็นความคิดของกูเมื่อไหร่นี่มันก็จะยึดมั่นถือมั่นว่าความคิดของกูนี่แหละถูกนะความคิดของแกความคิดของเมืองเนี่ยผิด แล้วก็ทะเลาะ ก, กันนะก็เพราะไอ้ความคิดนี่แหละมันไม่ใช่เฉพาะความคิดทางการเมืองอย่างเดียวนะแม้กระทั่งความคิดทางาศาสน า, สาศาสนาเดียวกันแต่คนละนิกายก็ทะเลาะ ก, กันนะหรือว่าถึงกับฆ่ากัน ท, ท, ทั้งๆที่ศาสนาก็อาจจะสอนว่าไม่ให้ทําร้ายกันการทําร้ายกันเป็นของไม่ดีแต่พอยึดติดในทิฏฐิมากๆนี่มันก็ทําร้ายกันได้นะ ในสายพุทธการนี่มันมีลัทธิหนึ่งนะเป็นของลัทธิลัทธิเชนของมหาวีระนั้นมหาวีระนี่เป็นลัทธิเชนนี่เขาก็เป็นลัทธิอหิงสานะคือไม่เบียดเบียนยิ่งกับยิ่งกับพุทธศาสนาอีกก็คือว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนนี่ก็ต้องเอาไม้กวาดเนี่ยกวาด ตามพื้นเพื่อไม่ให้เหยียบย่ำมแมลงบางบางนิกายของบางสำนักของนิกายนี้เขาไม่ใส่เสื้อดีนะเรื่องนึ่งลมผมฟ้าที่คำพอเราจมาไปอินเดียนี่ก็เจอพวกนี้นะเดินเดินตามท้องท้องถนนไม่ใส่ไม่มีเสื้อผ้าเลยนะก็ถือว่าการมีเสื้อผ้านี่มันก็เป็นการเบียดเบียน เวลาเขาหายใจเขาจะมีผ้าเนี่ยปกคลุมปิดปิดมีผ้าปิดปิดจมูกเอาไว้เพื่อไม่ให้หายใจเอาเชื้อโรคหรือว่าเอาสิ่งมีชีวิตเล็กๆลยุลชีวันเข้าไปในหิงสาขนาดนี้นะเสร็จแล้วพอเจ้าสํานักพอศาสดาตายขึ้นมาก็ทะเลาะ ก, กันเพราะว่าแต่และคนก็มีความคิดไม่เหมือนกันทะเลาะ ก, กับไปทะเลาะ ก, กันมา ก็ทำลายกันจะฆ่ากันทั้งทั้ที่าศาสดา ห, หรือว่ า, าศาสตร์หนังตัวเองนี่สอนไม่ให้ไม่ให้ทำลายแม้กระทั่งเชื้อโลกหรือมแมลงแต่พอความเห็นไม่ตรงกันนะก็จะฆ่ากันนะอันนี้เพราะว่าไอ้ความยึดติดในทิฏฐินี่แหละความคิดของกูความคิดของกูเนี่ยมันก็ทําให้เกิดโทสะเกิดความหลงตัวลืมตนจนกระทั่ง ทำร้ายกันได้เรื่องฆ่ากันเพราะศาสนาคนละศาสนาคนละนิกายนี่เป็นเรื่องธรรมดามากมีมาตลอดในแต่พุทธศาสนาเองก็ทะเลาะ ก, กันนะทะเลาะ ก, กันเพราะว่าต่างสำนักแต่ละสำนักก็มีความเห็นมีวิธีการปฏิบัติไม่เหมือนกันก็ทะเลาะ ก, กันนะเหยียดยามเหยียบย่ำครูบาอาจารย์อ นะ ท, ทั้งทั้งที่อ้างตัวเป็นนักปฏิบัติธรรมอันนี้ก็เพราะอำนาจของทิฏฐนะิมาณะ น, นี่หมายถึงความถือตัวสำคัญตัวว่าเด่นว่ายิ่งใหญ่ถ้าตัณหานี่คือความอยากได้นะมาณะคือความอยากเด่นนะต้องการชูตนให้ยิ่งใหญ่มีการเปรียบเทียบนะกับคนอื่น อันนี้ก็เป็นต้นเหตุของการทะเลาะเหมือนกันทะเลาะวิวาทกันอย่างเช่นพวกนักเรียนอาชีวะหน้าที่ทะเลาะกันระหว่างโรงเรียนก็เพราะรู้สึกว่าถูกมินสักสีถูกยามสักสีบางทีตำรวจกับทหารก็ทะเลาะกันเพราะว่ารู้สึกว่าถูกยามสักษีนี่เป็น เป็นเดนี่ทะละ ก, กันมากกับเพื่อเรื่องนี้นะคำพูดหนึ่งที่มักจะพูดกันก่อนที่จะทุบเตียงคือว่ารู้ไามว่ากูเป็นใครมองหน้ากูทำไมไอ้คาพูดแบบนี้มันไม่ใช่เป็นคำพูดของวัยรุ่นหรือว่าพวกอนักเรียนอาชีวะอย่างเดียวนะสมัยนี้นักเรียนผู้หญิงก็ก่อนที่จะตบเตียงก็ต้อง พูดประโยคนี้ขึ้นมามองหน้ากูทําไมรู้ไหมว่ากูเป็นใครรู้ไหมว่าพ่อกูเป็นใครอันนี้เป็นเป็นคําพูดที่เราได้ยินมากขึ้นเรื่อยๆนักเรียนมัธยมก็นะก็ทะเลาะ ก, กันก็เพราะไอ้คำพูดหรือคำอ่าสำนวนแบบนี้แหละรู้ไหมว่ากูเป็นใครเนี่ยก็คือต้องการที่จะปร ะ, ประกาศตัวตนว่าเนี่ยกูใหญ่กูแน่แล้วหรือว่ากูมี พ่อที่เป็นตำรวจกูมีพ่อที่เป็นนักการเมืองอันนี้เขาก็เป็นไปเสริมมานะได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้เราจะได้ยินมากนะให้มาน ะ, ะคําพูดแบบนี้อันนี้เรียกว่ามันมาจากมานะนะแล้วเสร็จแล้วก็เป็นยังไงก็ทุบตีกันทําร้ายกันคําว่าอวดเบงเนี่ยก็มาจากคำว่ามันก็เกิดจากกิเลส ต, ตัวนี้แหละคือมานะ เมืองไทยเราเนี่ยเดี๋ยวนี้กิเลสสามตัวเนี่ยคือตัณหามานาทิฐิเนี่ยมันมันแพร่ระบาดมากเดี๋ยวนี้เวลาจะทําอะไรเนี่ยคนมักจะถามก่อนว่าทำแล้วฉันจะได้อะไรหรือว่าทําแล้วฉันจะได้เท่าไหร่ทํำยังไงถึงจะรวยอันเนี่ยคําถามพวกนี้เนี่ยมันก็มาจากกิเลสตัวนี้คือตัณหา คนไทยเป็นมากนะทำแล้วฉันจะได้อะไรทำแล้วฉันจะได้เท่าไหร่คือคิดถึงแต่ตัวเองนะความอยากได้เอาเข้าตัวเยอะๆเนี่ยมันก็ทานำไปสู่ปัญหาต่างๆตามมามากมายเช่นการโกงการคอร์รัปชันนะเพราะว่าอยากได้แต่ไม่อยากทำอยากรวยเร็วโดวยที่ไม่เหนื่อยทำยังไงก็ต้องไป โกงไปคอร์รัปชันหรืออย่างต่ำๆก็ไปเล่นการพนันเล่นมวยตู้บอลตู้เนี่ยมันจะได้รวยรวยเร็วโดยไม่เหนื่อยหรือไม่ก็ไปพึ่งพาวัตถุมงคลล้ววัตถุมงคลเมืองไทยแล้วก็ฟูเฟืองมากถึงแม้จะตุคาลมาเทศนะจะจะหมดความนิยมไปแล้วนะแต่ว่าก็มีตัวอื่นมา พัที่คเนนบางชูโชคบางล่ะนมันก็แปดในชูโชคนี่ไปนับถือได้ยังไงไม่รู้นะทั้งทั้งที่เป็นตัวลายนะในเวสันดรชาดกแต่ว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเราก็ยกย่องนับถือชูโชคนะก็เพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ความโลภเป็นสัญลักษณ์ของของตันหาเนะ ที่ได้เราก็ไม่รู้จักพอกินจนท้องแตกก็ยังนับถือทันที่เราเห็นคงจักเป็นดอกปัวก็เพราะตัณหานี่แหละมานะนะก็อย่างที่บอกไว้แล้วนะในความถือตัวว่าสำคัญว่าเป็นว่าเป็นคนเด่นแล้วถ้าเกิดคนไม่เห็นก็โกรธนะ เช่นคนไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นเป็นลูกนักการเมืองไม่รู้ว่าเราเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกตํารวจใหญ่เนี่ยก็โกรธนะบางทีบางคนเป็นนักการเมืองเองบางคนก็เป็นตํารวจใหญ่เองแต่ว่าไปไหนเนี่ยไม่มีคนเขาทักเขาทายก็ไม่พอใจนะหรือว่าไม่ให้บริการมี นายตำรวจใหญ่คนหนึ่งนะไปกินอาหารในพัตคารพัตคาร น, นั้นก็คนเยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารก็มาช้าแกก็รอสักพักนะก็คงจะไม่นานนะแต่อาหารไม่มาสักทีหรือมาไม่ทันใจก็เรียกผู้จัดการมาด่าแล้วก็บอกว่ามึงรู้ไหมกูเป็นใคร ให้ผู้จัด ก, การนั่นก็ซื่อนะก็บอกผมไม่รู้หรอกครับอยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่มึงไม่รู้ได้ยังไงกูเป็นใครน ะ, ะบางทีพระก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะมีพระมีเพื่อนคนหนึงท่านบอกเนี่ยมีเจ้าคณะจังหวัดมามาวัดของท่านแต่ท่านเนี่ยไม่ค่อยรู้หรอกว่าใครเป็นเจ้าคณะจังหวัดก็ต้อนรับเหมือนกับพระอาคารทุกกะทั่วไป เ้าคณะจังหวัดท่านก็ไม่พอใจก็เรียกมาว่าว่ารู้ไหมว่าฉันเป็นใครประโยคนี้นี่ใช้กันพร่ำเพรื่อมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนไทยเราถือเรื่องหน้าตาศักดิ์ศรีมากแล้วถ้าใครไม่รู้จักว่าฉันเป็นใครนี่จะโกรธนะอันนี้แสดงว่าถูกกิเลสมันหลอกไปละมันทำให้ทุกข์ได้นะตัวทิฐิก็เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้เวลาใครพูดไม่ถูกหู เราก็จะบอกว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะเป็นคนไทยหรือเปล่าใครที่แสดงความเห็นที่อาจจะไม่ตรงกับคนทั่วไปก็จะพูดขึ้นมาเลยว่าเป็นคนไทยหรือเปล่านะอันนี้เป็นเป็นเป็นคำถามที่เอาไว้ใช้นะกำราบคนที่คิดไม่เหมือนตัว เพราะว่าถ้าไม่เป็นไทยแล้วเนี่ยก็จะเดือดร้อนเหมือนกับมึงก็จะพูดว่าเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะสมัยก่อนนี่ถ้าใครถูกหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์นี่ก็เดือดร้อนเดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดว่าไม่เป็นไทยนะหรือบางทีก็ใช่ว่าไม่ตรงหลักภักดนะีก็ใช้ในการเล่นงานคนอื่นที่คิดไม่เหมือนตัวอันนี้มันเป็นเรื่องของทิฐินะแล้วเมืองไทยตอนนี้มันก็น่ากลัวมากเพราะว่าไอ้ทิฐิ ความเห็นที่แตกต่างกันทางการเมืองก็นําไปสู่การทะเลาะ ก, กันขัดแย้งกันแม้แต่ระหว่างพี่กับน้องหรือว่าสามีภรรยาเพื่อนที่เคยสนิทกันก็ไม่คุยกันละเพราะว่าคิดเห็นทางการเมืองไม่เหมือนกันคนหนึ่งสีเหลืองคนหนึ่งสีแดงหรือญาติที่เคยคุ้นเคยกันก็หมางเมินกันนะก็เพราะ ความเห็นที่แตกต่างกันหรือว่าเป็นเพราะเชียร์นักการเมืองคนละคนมันก็หน้าแปลกลก็หน้าหัวนะหรือว่าหน้าเศร้าก็ได้ที่ว่าคบกันมาต้องนานคบกันมา20 3สปีมีน้ำใจผูกพันกันมาแต่ก็มาขัดมาทะเลาะ ก, กันก็เพราะคนคนหนึ่งซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นหน้าอาจจะไม่เคยพบปะ ได้แต่เห็นทางทีวีแต่ก็ยอมให้คนคนหนึ่งหรือคนสองคนนี่มาทำให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานได้แต่มนุษย์เราก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะความหลงตัวลืมตนเราตกเป็นท่ายของความคิดความเห็นและความคิดความเห็นถ้าเราทีแรกนี่เราปรุงมันขึ้นมา แต่พอปรุงมันขึ้นมาแล้วมีความยึดติดว่าเป็นความคิดของกูเนี่ยเราก็กลายเป็นท่าของมันทันทีเลยมันไม่ใช่เป็นของเรานะเราต่างหากที่เป็นของมันนะความคิดไม่ใช่ของเราเราเป็นท่าของความคิดมันสั่งให้เราดา่าเราก็ดา่ามันสั่งให้เราทะเลาะ ก, กับคนที่เรารู้จักพ่อแม่พี่น้องเราก็ทาบางทีมันสั่งให้เราไปตายยังทาได้เลย คนทุกวันนี้เป็นท่าของความคิดมากเป็นท่าของทิฏฐิความเห็นนะทั้งๆ ท, ที่มันก็เกิดมาจากการคิดการปรุงของเราแต่เสร็จแล้วเราก็เป็นความโง่หรือเป็นความหลงแล้วก็ยอมตนเป็นท่าของมันเทล อ, อ ก, กันเพียงความเห็นไม่เหมือนกันบางทีข่ากันนะบางทีเพื่อนข่าเพื่อนนี่เคยมีเนี่ย ในช่วงสามสปีก่อนนี้เพื่อนค่าเพื่อนมันมีความเมาขึ้นมาด้วยก็ทะเลาะกันนะเรื่องนักการเมืองนะคนหนึ่งชอบทักเซ็นอีกคนหนึ่งไม่ชอบก็ทะเลาะ ก, กันก็เมาด้วยลยลนะก็เลยเอาค้อนเอาขวานนี่มาจามหัวกันตายไอ้คนอีกค น, นก็ติดคุกไปตามระเบียบ อันนี้เป็นอำนาจของทิฏฐินะนะที่สงฆามันเกิดขึ้นระหว่างศาสนาเกิดเหตุการณ์สิเอ็ดกันยาหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ธรรมศาสตร์นะหกตุลามันก็เป็นเรื่ององทิฏฐิความเห็นหรือแม้ที่ราดประสงคนะ์มันก็เป็นเพราะทิฏฐิความเห็นมันมีรากออกมาจากทิฏฐิความเห็น ที่ไม่ตรงกันแล้วก็เกี่ยวกับผลประโยชน์ด้วยอาจจะแล้วก็มีเรื่องมาหน้าเข้ามาด้วยคือไม่ยอมแพ้นะความไม่ความที่ไม่ยอมแพ้กันเนี่ยมันก็เป็นมารนะเหมือนกันนะคือคนเรานี่อัตราตัวตนเนี่ยมันต้องการเป็นผู้ชนะมันไม่ต้องการเป็นผู้แพ้แล้วมันรู้สึกว่าถ้ายอมถ้ายอมใครเนี่ยก็เป็นผู้แพ้ก็ไม่ยอม ไม่ยอมกันบางทีมันไม่ต่างจากรถนะเคยเห็นมันรถสองคันเนี่ยมันอยู่คนละอยู่คนละทิศกันเลยนะคันหนึ่งแล่นสวนกันแล้วก็ไม่ยอมกันต่างฝ่ายต่างก็บอกว่าฉันถูกฉันนี่เป็นเลนของฉัน นะคุณรถคนนึ่บอกนี่เป็นเลนของฉันอีกคันหนึงก็บอกว่านะทำไมแกไม่หลบนะฉันก็วิ่งถูกเลนเหมือนกันแล้วลองคิดดูเสว่าถ้าหากไม่ยอมมีใครไม่ยอมมีใครหลีกทางให้มันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะบ่อยครั้งคนเราก็เหมือนกันนะแล่นประสานงานกันทั้งน้นที่รู้ว่าถ้าแล่นต่อไปเนี่มันก็ต้องชนกันแน่นอน แล้วไม่ใช่เราคนเดียวที่เดือดร้อนบางทีในรถเราก็มีลูกมีหลานมีคนบริสุทธิ์มากมายแต่ก็ไม่ยอมกันเพราะคิดว่าฉันถูกต่างฝ่ายต่างเพราะว่าฉันถูกฉันวิ่งถูกเลนนะหรือไม่ต่างฝ่ายต้องก็คิดว่าฉันไม่ยอมแพ้ถ้าคิดว่าฉันคนที่คิดว่าฉันถูกฉนั้นฉันไม่ยอมหลบเนี่ยอันนี้ก็ทิฏฐิหรือถ้า คิดว่าเนี่ยฉันไม่ยอมแพ้นะตายเป็นตายนะมีเพื่อนตามานีงแบบนี้นะวิ่งเลี้ยวแซงขับรถอยู่ดีๆแล้วก็มีรถอีกคันหนึ่งวิ่งมาจากทิศ ท, ทางตรงข้ามแล้วเขาก็แซงรถข้างหน้าก็เลยมาอยู่ในเลนเดียวกับรถของเขาแล้วเขาไม่ยอมหนีเลยก็บอกว่าตายเป็นตาย ในะจหลีกใครนี่ฉันไม่ยอมอันนี้มานะแล้วคนที่ตายแบบนี้ตายเพราะเหตุ น, นี้เยอะมากเลยนะคือมันไม่ยอมแพ้เนี่ยพุทเรียนอาชีวะก็ไม่ยอมแพ้ตายเป็นตายแต่ไม่เสียศักดิ์ศรีไม่ยอมไม่เสียศักดิ์ศนระีมองหน้าฉันฉันไม่ก็จะต้องเอาเรื่องให้ได้นั่นะนี่ก็เป็นความโง่ของของมนุษย์นะที่เกิดจากการที่เรา หลงตัวลืมตนหรือว่ายึดติดในอัตต า, าการที่เราแม้แต่ทั้งหมดที่พูดมานี้อาจจะดูเหมือนไกลไกลตัวพวกเราเนะเพราะว่าไอ้ตัณหามาณทิฏฐิที่พูดมานี่มันเป็นกิเลสอย่างยากแต่ว่าจริงๆแล้วลองสังเกตดูนะเวลาเราปฏิบัติเนี่ยในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีตัวนี้มารบกวนเราไหม เราจะไม่ได้อยากได้นโน่นได้นี่มากแต่เราอยากได้อยากกินอาหารที่อร่อยนะหรือว่าอยากได้กุฏิที่ดีๆนะอยากได้ผ้าห่มที่มันดูสวยหน่อยนะทั้งทั้งที่ก็คุณภาพก็เหมือนกันหรือว่าอยากนั่งในที่ดีๆ แล้วเราก็ปล่อยให้ตัณหาเนี่ยเข้ามาเล่นงานจิตใจเราบางทีคนข้างหน้าเขาตักตักอาหารไปตักตักของชอบตักอาหารที่เราชอบไปจนไม่จนไม่เหลือถึงเราเราก็โมโหทั้งทั้งที่มีอาหารอีกเยอะนะแต่เราก็ไม่พอใจเพราะว่ามีความหมายมั่นในอาหาร อ, าอย่างนั้น ในะกิเลสเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันก็มารบ ก, กวนเราสังเกตเห็นบ้างหรือเปล่าหรือว่าทิฏฐินะทิฏฐิบางทีก็มีความเห็นต่างกันเรื่องการทําครัวการทําอาหารนะเราทําอาหารเราใช้วิธีนี้แต่คนยังใช้วิธีนั้นนะก็มาทะเลาะ ก, กันเพียงแค่เรื่องเท่านี้นะเราเห็นบ้างหรือเปล่าอทิฏฐิตัวนี้ หรือว่าบางทีก็อาจจะทะเลาะ ก, กันเรื่องการการปฏิบัติฉันว่าอย่างนี้ถูกอีกคนบอกไม่ใช่ก็ทะเลาะ ก, กันมาณก็เหมือนกันนะนะความรู้สึกว่าฉันเป็นฉันเป็นรุ่นพี่นะฉันจบปริญญาฉันถือศีลมากกว่าไอ้พวกนี้มันก็มามาครอบงมจิตใจนักปฏิบัติ นะแล้วก็ทำให้คอมเมนต์คนอื่นทำให้ดูถูกคนอื่นหรือว่าความสำคัญตนว่าฉันเป็นนักปฏิบัติแนะแกไม่ใช่นักปฏิบัตินะฉันมาก่อนนะฉันมานานฉันปฏิบัติก่อนเธอฉันปฏิบัตินานกว่าเธอนะมันจะมีความเชิดหลงตัวแบบนี้อยู่หรือความถือตัวแบบนี้อยู่ ให้เรารู้นะว่านั่น น, ะน่ะนะก็คือตัวมานะแล้วลางเงาของมันก็คือไอ้ความสําคัญตัวหรือความยึดถือในตัวตนนั่นแหล ะ, ะปฏิบัติธรรมนี้ถ้าไม่สามารถจะสาวเห็นไม่สามารถจะมองเห็นกิเลสสามตัวนี่นะปฏิบัติทั้งวันไม่เห็นสามตัวนี้เลยนะก็แสดงว่าปฏิบัติผิดแล้วละ่ะเพราะว่ามันออกมาเพ่นพานอยู่ทุกวันวันละหลายครั้ง แล้วคนที่ปฏิบัติจริงๆก็จะเห็นแล้วโอดตัวเองนี่น่าเกียรดยังไงบ้างตัวเองนี่ชั่วลายยังไงบ้างยิ่งปฏิบัติก็ยิ่งเห็นแต่เห็นแล้วก็ไม่ได้เกลียดตัวเองนะเห็นแล้วก็อาจจะอดขำตัวเองไม่ได้หรืออดสงสารตัวเองไม่ได้ว่าโอ้ที่เคยคิดว่าฉันเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเนี่ยฉันประเสริฐพิเศษนี่โดนกิเลสมันหลอกไม่รู้นานเท่าไหร่ละ ถ้าปฏิบัติแล้วไม่เห็นกิเลสสามตัวเนี่ยนะหรือไม่เห็นโลภโกรธหลงนั้นก็แสดงว่าปฏิบัติผิดแล้วแล้วถ้าแล้วถ้าเห็นตัวไอตัวตัณหามานาทิฏฐิเนี่ยลองสาวไปเถอะนะมันก็ไปมันก็ไปสุดที่เรื่องความยึดถือในตัวตนอาจารย์พระธรรมจันบอกว่าเนี่ยมันมีตัวกูของกูนะตัวกูของกูตัวกูนี่ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึง มีทิฏฐิในเรื่องที่เป็นสักกายทิฏฐิคือทิฏฐิว่ามีตัวตนอันนี้เรียกว่าสักกายทิฏฐิทิฏฐิหรือความเห็นว่ากายและใจนี้เป็นเป็นฉันก็เกิดมีความรู้สึกเป็นตัวกูขึ้นมาของกูเนี่ยคือตันหาของกูนี่ก็ก็คือตันหาอาแล้วมานะล่ะมานะก็นี่กุณะ น, น, น, น, นะ ตัวกูของกูยังไม่ถูกยังไม่ครบนะตัวกูของกูแล้วก็นี่กูนะมันจะมีคําว่ามันจะมีความมัตสึวะนี่กูน่าอยู่ตลอดเวลานะนี่กูเป็นนักปฏิบัติธรรมนะแกไม่ใช่นักปฏิบัติอันนี่กูปริญญาจบปริญญาเอกนะแก่แค่จบมสอันนี่กูเป็นหัวหน้านะแกนี่เป็นลูกน้องอันนี่กูเจ้าวาดนะ แกนี่เป็นลูกวัดเนี่ยมันจะมีตัวเนี่ยโผล่ขึ้นมาชูคอให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเราเห็นบ้างหรือเปล่าตัวกูของกูแล้วก็นี่กูนะเอาปฏิบัติ ร, รมถ้ามันไม่เห็นนะสามตัวนี้นะก็อย่างที่บอกนะสงสัยว่าผิดทางแล้วละ่ะไม่รู้ไปดูอะไรนะไปดูนอกตัวจนไม่เห็นไอ้กิเลสสามตัวนี่มันชูคอสลอนเพ่นผลานถ้าต้องเห็นนะ เห็นด้วยใจที่เป็นกลางนะไม่ใช่เห็นแล้วมากดข่มมันอันนี้ก็ฝากไว้นะครับนะพวกเราที่เป็นนักปฏิบัตินะ <c oughs> เขากราบพระพร้อมกัน